ก็จะเดินพรกเราทุกคนเนาะรดังพอได้ยินเนาะตั้งใจตั้งใจฟังมาแล้วกันเนาะพวกเราก็เห็นประโยชน์เนาะประโยชน์เราก็เลยมาทำวัดเย็นแล้วก็มาฟังธรรมแล้วก็ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมด้วย ประโยชน์ตรงนี้เห็นตรงไหนก็คือประโยชน์ในการที่เราเรียนรู้ธรรมะฝึกใจของเราเองเนาะคือประโยชน์นะประโยชน์ตรง น, นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเราประโยชน์ในทางโลกเราก็ได้ประโยชน์จากจากเงินทองจากสิ่งของต่างๆเราก็เอา เอาวัตถุสิ่งของไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลกก็ทำให้เรามีชีวิตไม่ลาบากมากแต่ก็ชีวิตนึงก็เป็นของที่ไม่ไมแน่นอนอย่างที่พวกเราประกอบอาชีพเราก็จะรู้นะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนป่วยสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายมันเป็นของที่มันก็เป็นความไม่เที่ยงนะเป็นของเที่ยง คือง่ายคือความไม่แน่นอนเป็นของที่แน่นอนนะความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นกับทุกชีวิตนะมันเป็นความแน่นอนที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็คนที่เรารู้จักเหมือนกันการที่เราเห็นประโยชน์ก็คือว่าเราเห็นว่าชีวิตเรามันตั้งอยู่ในความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนนั้นมันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแน่รวมทั้งอาจจะความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับ เรื่องอนอื่นในชีวิตเราด้วยเช่นอคนเราต้องพัดผ้าจากของรักของชอบใจนะเราต้องพัดผ้าจากคนที่เรารู้จักคนที่เรารักใคร่เราจะต้องเจอกับเรื่องที่อาจจะทําให้เกิดความอเป็นเรื่องกังวลใจหรือเรื่องปัญหาในชีวิต อ, อันนั้นเรามองว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันแน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อ แต่อาจจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็กำหนดไม่ได้เนาะการที่เรามาฝึกใจเนะี่ยคือฝึกในการเตรียมพร้อมในการที่จ ะ, ะเผชิญกับเวลาเราต้องเผชิญกับปัญหาหรือสภาวะนั้นคือเราเตรียมพร้อมไว้มไม่ใช่ว่าเรามาทาบุญเรามาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไม่เกิดกับเราเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ ไม่ไม่มีใครบอกได้เนะพราะที่จริงแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะนะท่านก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ที่จริงถ้าจะวาดแบบโลกโลกโลกนะบางทีท่านก็มีปัญหาใช่มมีคนมาตามทำร้ายมีคนมาตามด่านะมีคนนะเรียกว่านะมา จองตําจองเวรกับท่านก็มีหรือแม้แต่เรื่องราวในครอบครัวเช่นญาติพี่น้องหรือวงตระกูลนะในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตยอยู่นะก็ยังมีการเรียกว่าฆ่าล้างโคดนะในตระกูลพระพุทธเจ้าก็มีนะอะพระพุทธองค์ท่านก็ก็ห้ามก็ทําหน้าที่แล้วแต่มันก็ไม่เกิดผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของเขาอันนี้ถ้าเรามองเรื่อง เดิมปัญหาที่พระพุทธเจ้าเจอนะบางทีหนักกว่าเราได้ทันะ้งนั้นเจอคนตามค่าตามด่าหรือญาติพี่น้องก็เสียชีวิตนะมากมายเลยนะอันนี้ปัญหาเนี่ยบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราทําใจเราให้มันไม่ทุกข์กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะปัญหามันเป็นเรื่องที่เราต้องต้องยอมรับ น่ะแล้วก็ต้องแก้ไขนะปัญหาบางอย่างยอมรับด้วยใจแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยด้วยสิ่งที่เราแก้ได้นะ่ะแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับอย่างเดียวนะบางทีก็ยิ่งไปแก้บางทีก็ยิ่งวุ่นนะแต่ปัญหาบางอย่างก็แก้นะ่ะเท่าที่ทําได้แต่สิ่งสําคัญคือเราพยายามแก้ไขปัญหาในใจของเราก่อนนะปัญหาในใจก็คือความความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในใจของเราก่อนนะเราพยายามกลับมาแก้ปัญหาที่ใจของเราก่อนนะนะถ้าเป็นมหาทางโลก้างนอกด้วยแล้วก็แก้ปัญหาข้างนอกไปด้วยแก้ปัญหาในใจของเราคือแก้ตรงไหนแก้ปัญหาคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละส <c oughs> ังเกตไหมเวลาสมมติเรามีปัญหาข้างนอกนะส่วนใหญ่ในใจของเราจะรู้สึกต่อต้านหรือปฏิเสธ ไม่ยอมรับนะต่อต้านเช่นมไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้นะนะปฏิเสธว่ามันไม่จริงหลอกตัวเองว่ามันไม่จริงนะเราไม่ได้ป่วยหรอกเราไม่ได้มีปัญหาหรอกนะปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทุกข์หรอกนั่นนะหลายคนก็เวลาทุกข์ก็ปฏิเสธตัวเองว่ามไม่ทุกข์โดยการหาอะไรให้มันรู้สึกสนุกสนุกทาแทนคล้าย หนีออกไปจากความทุกขนะ์หรือบางทีเราก็ไม่ยอมรับเขาตามความเป็นจริงนะคือคืออันนี้แหละพอเกิดปัญหาขึ้นมาเราเรามีท่าทีไม่ยอมรับความจริงนะการไม่ยอมรับคามปฏิเสธนั่นะแหละยิ่งยิ่งเพิ่มความทุกข์ใจนะอนะืแต่นะก้าวที่สําคัญก้าวแรกคือยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะอนะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาร่างกายอยอมรับมันนะเราแก่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละอะเราตรวจเจอโรคอ่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละน ะ, ะเมื่อเรายอมรับนะเราจะมีสติอ่เราจะมีความะระลึกได้ว่าเออขนาเนี้ยเราเป็นอะไรพอเรารู้ตัวว่าเรามีสติอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อาศัยสตินั้นมันก็จะเกิดปัญญาค่อยไปแก้ปัญหา แต่สติปัญญาจะได้มันจะแก้วความทุกข์ใจของเราไป อ, อ้อเมื่อเราได้สติเรายอมรับความจริงนะความทุกข์ใจเนี่ยมันจะไม่มีที่ตั้งนะมันจะหายไปนะเมื่อเรายอมรับทุกอย่างนะเราจะมองมันเออมันก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมชาตินะไม่ใช่เราทุกนะพอเรามีสติจริงๆนะเราจะเห็นว่าที่ทุกเพราะอะไรเพราะเรายึด <c oughs> ที่ทุกเพราะเราแบก ที่ทุกข์เพราเราถือไว้นีิเองแต่พอเรามีสติเห็นจริงๆอ้อหลงมาทุกข์เพราะไปยึดมันไว้นีิเองนหะลงโปรดหลงชอบหลงชงังมก็ยึดไว้นีิเองสตินะมันจะเป็นตัวถ่ายถอนนะความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชานะหรือแทนจะเรียกอีกอย่างก็คือรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงนะมันไม่เกิดสมาทิฏฐิขึ้นนะ คีเรานะไม่เกิดปัญญาขึ้นตรงนี้นะแต่ถ้าเรารู้ความจริงอ้อร่างกายมันก็เป็นมันเป็นเรียกว่ามันเป็นกองทุกเนาะร่างกายเราเพออาศัยก็ได้อยู่แต่ธรรมชาติของร่างกายมันก็ต้องค่อยๆผูกพันลงไปนะเรามีร่างกายแล้วนั่งอยู่มันก็ต้องปวดเรามีร่างกายอยู่กินข้าวแล้วพวกมันก็ต้องหิว เรามีร่างกายอยู่มันก็ต้องปวดเมื่อยอันนี้คือมันเป็นธรรมดามากแต่เพียงแล้วว่าตอนที่มันไม่เกิดเนานะเราก็เข้าใจแต่พอที่มันเกิดเราไม่ยอมรับมันนะมันเป็นเรื่องที่หรือเราเห็นคนอื่นเราเข้าใจแต่เราไม่ยอมรับถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอันนี้การเข้าใจแบบนั้นมันมันเป็นเข้าใจเพียงแค่ระดับสมองนะหรือระดับความคิดนะ แต่การฝึกจริงๆเนะี่ยเราทำใ ห, ให้มันเข้าใจถึงถึงจิตใจนะอันเนี้การเข้าาเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจถึงระดับจิตใจนะเมื่อนั้นแหละมันถึงจะเกิดปัญญาจริงๆที่เรียกว่ามันจะถอนความทุกข์ออกไปจากจิตใจนะแต่ถ้ายังเป็นปัญญาระดับรู้หรือคิดได้นะเมื่อเกิดกับคนอื่นนะเราก็ ไม่ทุกเราก็ปกติได้แต่ถ้าเกิดกับตัวเราเองหรือเกิดกับคนใกล้ตัวเราเองมันก็จะเราก็จะยังยึดยังทุกข์อยู่นั้นเราควรที่จะต้องนะเห็นมันว่าอ้อพอเรายึดไว้เองนะมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ใจทำไงถึงจะเกิดปัญญาตรง น, นี้ได้นะต้องผ่านการฝึกฝึกให้เป็นผู้เห็นนะ ฝึกให้เป็นผู้ดูนะดูหรือเห็นอะไรนะเห็นตัวเองพูดง่ายๆคือเห็นตัวเองนะบางทีส่วนใหญ่ความสนใจของเราจะไปสนใจข้างนอกนะไปเห็นคนอื่นหรือเห็นข้างนอกหรือถ้าไม่เห็นก็จมไปเลยนะจมเช่นเวลาทุกข์ก็จมลงไปนในความทุกข์เวลาเศร้าก็จมในความเศร้าคือ ถ้าไม่จมลงไปก็แบบไม่สนใจไปเลยก็คิดฟุ้งซ่านนะร่องรอยไปเลยนะหรือว่าคิดหลบเลี่ยงหรือทำอะไรให้มันหลบเลี่ยงความทุกข์ไปแต่สิ่งสำคัญคือเราทำไมเราจะมาศึกษาก็ดูนะพระเจ้าท่าบอกนะอริยสัจข้อแรกนะทุกคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะเราเราต้อง กล้าเผิญกับมันนะเราหนีมันมานานละนะมาเรียนรู้นะความทุกข์ดูนะเรียนรู้จากร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยนะกลับมาดูตัวเองบ่อยๆนะกลับมาคอยระ ล, ลึกรู้ดูดูตัวเองบ่อยๆคำว่าดูตัวเองก็ง่ายๆก็คือตัวของเราเองมันมีสองส่วนคือร่างกาย <c oughs> แล้วก็จิตใจนะกลับมาดู ส่วนแรกเช่นดูร่างกายก็คือคอยระลึกรู้ว่าตอนเนี้ยเราทําอะไรอยู่นะเช่นตอนเนี้ยนั่งอยู่รนะลึกรู้ถึงถึงพลังงานในการนั่งนะนะไม่ใช่คิดว่าเรากระลำนั่งนะมันต่างกันนะคิดว่าเรากระลำนั่งนะแต่การแค่รู้สึกว่ามันมีการมีกิริยานั่งนะมันจะเป็นเหมือน อาจจะเป็นความรู้สึกการที่เรารู้สึกถึงน้ำหนักที่มันถ่ายทอดลงไปนะถึงขาถึงก้นถึงพื้นนะหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเช่นลมกระทบถูกถูกร่างกายนะี่ยมันเป็นการสัมผัสนะหรือมีใครมาแตะมาต้องถูกตัวเราเรารู้สึกถึงถึงการสัมผัสนั้นหรือเราหายใจเข้า หายเข็ออกเรารู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าไปในร่างกายผ่านออกมาในร่างกายจะเรียกว่ารู้สึกร่างกายจากพลังงานที่มันเกิดขึ้นในตัวไม่ใช่การคิดรู้นะคือการเหมือนรู้สึกจริงๆนะเข้ามารู้สึกหรือเรารู้สึกผ่านการที่เคลื่อนไหวเราทำอะไรก็แล้วแต่ก็ พอมันเคลื่อนไหวมันเกิดพลังงานขึ้นนะเรารู้สึกหรือกระทบลงไปนะเรารู้สึกเนี่ยคอยหมั่นดูดูร่างกายบ่อยบ่อยนะพอเรากลับมาดูร่างกายจริงๆเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเพียงแค่นะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนระู้รู้เนาะที่จริงร่างกายเขาเวลาเขาปวดเนี่ยนะมันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกปวดนะ แต่ไอ้ที่โยวยวายว่ า, เ, าเราปวดเราทุกข์นี่คือใจนะถ้าโดยดีนะร่างกายมันก็แค่แสดงความจริงให้เห็นว่ามันปวดอยู่หรือสังเกตไหมเวลาเราเดินออกไปข้างนอกสมมติมีแดดเนาะความรู้สึกที่แดดถูการ่างกายเนี่ยถ้าถ้าเราแค่รู้สึกเฉยๆนะมันก็แค่รู้สึกเหมือนพลังงานที่มันร้อนขึ้นมาอันนี้พูดแบบสมมุติ แต่ไอความไม่ชอบความร้อนเนี่ยมันทําให้เราทุกข์นะใช่อืมความรู้สึกมีแบบนั้นมันหิวก็เหมืากันหิวความสึกหิวก็เป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแบบแต่โอ้หิวจะเป็นจะตายอืหิวแล้วก็โวยวายเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอถ้าเราแค่รับรู้ความรู้สึกจริงๆนะมันก็ทุกข์แต่เฉพาะเรื่องของกายนะที่จริงแม้แต่กายมันก็ทุกข์น้อยลงเพราะว่า เราไม่เราไม่ไปคล้ายๆไม่ไปดิ้นรนอะไรมันมากแต่เราก็ก็คล้ายๆแก้ไขไปตามที่เท่าทำได้นะแต่ใจเราที่มันไม่ทุกใจเราที่มันไม่ทุก่มันก็ทำให้อ่าร่างกายมันก็ทุกน้อยลงนะมันเท่าทุกไปด้วยได้ด้วยนะอันนี้อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการมีสติดูใจนะดูใจ แล้วก็แค่จะรู้ว่าตอนเนี้ยใจมันรู้สึกอย่างไรนะเพราะใจเนี่ยนจิตใจบางทีมันมันก็คิดนั่นคิดนี่หรือมีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็เพียงแค่คอยจะรู้รู้ว่าใจิตใจมันรู้สึกอย่างไรหรือมันคิดอย่างไรแต่อาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องไปรู้ขนาดว่าคิดเป็นเรื่องราวอย่างไรนะแค่รู้สึกว่าใจมันคิดเฉยอืม ดูใจคล้ายๆเหมือนเราดูกระจกส่องดูตัวเราอ่ะ <c oughs> นะเราดูหน้าตาเราเนาะเราดูอ๋อหน้าตาเราเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็แค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมแต่สมมติถ้าเราคาดหวังว่าหน้าตาเราต้องดีกว่านี้ <c oughs> ต้องสวยกว่านี้ต้องไม่เหี่ยวแบบนี้ต้องยิ้มนะใช่ไหมสมมตินะเราดูแลเราก็เห็นข้อบกพร่องในหน้าตาของเรานะเราก็ยังไง แล้วก็หน้าบึ้งขึ้นใช่ไหมไม่สวยอย่างที่เราคิดนะไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังนะหรือไม่สวยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็เราก็เดยเกิดความทุกข์ใจนะเนาะเครียดหรือว่ากังบนนะบึ้งตึงขึ้นมาไอ้กระจกตัว น, นั้นมันก็ยิ่งเราเห็นหน้าตัวเองก็ยิ่งบึ้งตึงไปด้วยใช่ไหมพอเราบึ้งตึงนะรูปในกระจกก็บึ้งตึงไปด้วย เราเองก็เหมือนกันนะเวลาเราดูจิตใจเวลามันเกิดกิเลส ข, ขึ้นเนะ่ยบางทีเราก็ไม่ชอบนะใช่ัหมทำไมทำไ ม, มฉันโกรธด้วยอะ่ะไม่ดีเลยนะจะรู้สึกเวลาเราหงุดหงิดเพื่อนนะโกรธโมโหเราจะรู้สึกที่จริงความหมงุดหงิดความโมโหมันก็เป็นความทุกข์ละแต่เราก็เพิ่มความทุกข์ที่รู้สึกว่าตัวเอง ไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะเหมือนกับเราดูหน้าตามันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่พอเรารู้สึกมันไม่ดีอย่างที่เราคิดหน้าตานั้นก็ยิ่งดึ่งขึ้นไปใหญ่จิตใจเองก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกแล้วเราดูแล้วใจเราไม่ยอมรับใจเรารู้สึกว่ามันไม่ดีไม่ชอบปฏิเสธนะมันก็ยิ่งคลุกเข้าไปใหญ่นะแต่สมมติถ้าเรา เหมือนแค่ยิ้มให้กับมันนิดนึงเช่นเราส่องกระจกนะยิ้มให้กับตัวเองเป็นไงหน้าตาเราก็สดชื่นขึ้นใช่ไหมดูดีขึ้นเลยโดยไม่ต้องไปทําอะไร <c oughs> ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไม่ต้องไปทาสัญญกรรมเพิ่มพอเรายิ้มให้กับตัวเองรูปในกระจกมันก็ยิ้มให้กับเราด้วยจิตใจนี้ก็เหมือนกันเนาะมันเกิด อ, อะไรขึ้นมาเรายิ้มให้กับมันนิดนึงยิ้มคือว่าอ่อยอมรับมันนะ ผ่อนโยนให้กับมันออ่าเขาก็จะสดชื่นขึ้นทําของมันเองเมื่อเราเห็นใจมันโกรธนะเราก็ยิ้มให้กับความโกรธซิอ่าเมื่อเราเห็นใจมันหงุดหิดไม่พอใจเห็นใจมันทุกเรายอมรับแล้วก็ลองยิ้มให้กับมันการยิ้มยอมรับมันน่ะจะเป็นการเปลี่ยนใจเนาะเปลี่ยนใจที่มันเครียดที่มันทุกที่มันโกรธ ให้เป็นใจที่กลับมาเป็นปกตินะคำว่าปกตินี่ไม่ใช่ว่าเฉยเมยนะภาวะปกติจริงๆอย่างที่เราสรวจอ่ะมันมีอุเบกขาอ่านะมีสติสัมปชัญญะแล้วแลแล้วแลดูอยู่นะหรือบางทีก็มีสุขน้อยน้อยนะมีสุขนะมีอุเบกขามีสติแล้วแลดูอารมณ์ต่างๆอยู่ยอเนี่ยคำว่าปกติมันคือ มีผู้รู้นะมีผู้รู้ที่คอยเฝ้าดูจิตใจนะมีผู้รู้ที่คอยเฝ้าดูความคิดมีผู้รู้ที่คอยดูร่างกายเราฝึกสติให้เป็นผู้รู้นะถ้าเราฝึกสติเป็นผู้รู้มันจะเป็นผู้ดูผู้ดูคือผู้คล้ายๆคนที่คอยสังเกตคนที่คอยเฝ้าดูนะดูแบบไหน <c oughs> อย่างที่ว่าอย่าไปดูแบบดูไปคิดไปมาทีเราจะมักจะดูไปคิดไปนะคือดูไปแล้วก็พยายามใช้เหตุใช้ผล่ทําไมเราถึงทําไมเราถึงไม่ชอบคนนี้ทําไมเราถึงทุกข์ทำไมเราถึงเครียดเรายิ่งพยายามไปคิดทําไมเนะี่ยมันเหมือนยำ้ำคิดย้าทำยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่คล้ายๆเหมือนกับรถที่มันติ ด, ดลงนะ รู้ว่าติดลมแล้วยิ่งไปเบิ้ลยิ่งพยายามจะฝืนออกจากลมมันก็ยิ่งจมลึกลมไปการที่ไปย้ำว่าทำไมนะการที่พยายามไปย้าหาเหตุหาผลนะนะหรือพยายามย้าหาเราถูกคนอื่นผิดนะหรือเราผิดคนอื่นถูกนี่ก็เป็นการย้ำนะแต่ทำยังไงเราถึงจะปลดภาระเหตุผลทั้งโรคผิดถูก ดีไม่ดีชอบไม่ชอบออกไปได้มันจะเป็นการถอนขึ้นมาก่อนนะถอนขึ้นมาก่อนแกลงเนี่ยการแค่รู้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดอย่าเพิ่งไปเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดีเอาเหตุเอาผลอะไรถอนออกมาให้ใจมันปลอดโปร่งโล่งจากความทุกข์ก่อนนะเมื่อใจเราปลอดโปร่งโล่งจากความทุกข์ถ้ามันเป็นเรื่องทางโลก ใจเราเป็นปกติใจเราไม่มีอัคตินะ <c oughs> เราค่อยเอาไปเหตุผลไปใช้เอาหลักการไปใช้เอาถูกผิดไปใช้มันจะต่างกันนะแต่ถ้าใจเราไม่ปกติเนะใจเรามีอัคติเหตุผลเนี่ยบางทีเคยรู้สึกไหมบางทีเหตุผลมันก็มาจากความโกรธของเรานะเหตุเหตุผลมันก็มาจากความคิดเห็นของเราเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเสียงกันหน้าดําำขำเคลียนนะเสียง เรื่องอะรความคิดเห็น <c oughs> นะเราก็ไปยึดความคิดเห็นหรือเรื่องบางเรื่องเราเอาแพ้เอาชนะเอาถูกเอาผิดกันเนี่ยแข่งกันเนี่ยก็อะไรเพราะเราพยายามรักษาตัวตนรักษาภาพรักษณนะยึดในตัวเราเองนะเดิมแรกเนี่ยพยายามเป็นผู้ดูแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะอย่าฝึกไปเป็นนักวิาพากควิจารณ์วิเคราะห์ วิจัยอะไรต่างๆดูก่อนเฉยๆนะขอออกมาเป็นผู้ดูก่อนเมื่อเราดูแล้วใจเราเป็นปกติเราใจเราเป็นกลางก็ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็แก้ไขปัญหาไปแต่ถ้าเป็นเรื่องในใจแก้ความทุกข์ก็แค่ดูเฉยๆไปเรื่อยๆเราฝึก่รงนี้เราจะเป็นผู้ดูจิตที่เป็นผู้ดูล่ะคือจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ความกวนใจทั้งหลายนะ อันนี้คือคือธรรมะจริงๆนะนะญาติโ ย, ยมบางคนอาจจะตับสนธรรมะมีหลายข้อพุทธศาสนามีพิธีกรรมหลายอย่างนะแต่ที่จริงธรรมะจริงๆที่พระเจ้าท่านชี้ก็มาคือทาอย่างใบจะไม่ทุกข์ใจ <c oughs> นี่คือจริงไงเพระพระเจ้าท่านสรุปบางทีท่านต้บอกว่าสิ่งที่เราสอนมาทั้งหมดนะสอนแค่สองอย่าง สอเรื่องทุกข์แล้วก็การดับทุกข์อันนี้คือหรือถ้าพูดอย่างเดียวก็ได้ว่าท่านสอนแต่เรื่องความไม่ทุกข์นี่นี่คือพิธีกรรมอะไรต่างๆนะโยมทําแล้วอย่าไปทุกข์ถ้าเราทําดีแล้วเราทุกข์ใจแสดงว่าเราทําดีแบบไม่มีธรรมะใช่ไหมบางทีถ้าเราอไม่ทําชั่วแล้วทุกข์ใจเพราะคนตระแนงตรแหนคนว่าในนะี้ เรายัางทุกใจอยู่แสดงว่าเรายัางทําแบบไม่มีธรรมนะนะอย่างเมื่อไม่มีไม่กี่วันก่อนนะวันมาคะบูชาพรนะวิชาท่านให้โอวาทนะเรียกว่าโอวาทปาติโมกเป็นจะเรียกว่าเป็นคําสอนย่อๆนะสามข้อนะการไม่ทําบาปทั้งพวงนะบาป ก, ก็คือความชั่วก็คือสิ่งที่ไม่ดีคําว่าไม่ทาบาปทั้งพวงท่านสอนเพื่ออะไร เพราะว่าทำบาปแล้วใจมันเศร้าหมอง <k ric an> ทำบาปแล้วมันทุกข์ใจทำบาปแล้วมันไม่สบายใจพอไม่ทำบาป ก, ก็เลยไม่ทุกข์ใจพอไม่ทำบาป ก, ก็เลยสบายใจพอไม่ทาบาปลวก็เลยไม่มีความเศร้าหมองในใจนะการไม่ทำบาปเพื่อตรง น, นั้นการไม่ทำบาปน่นะเป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นดินที่ที่อุดมสมบูรณนะ์ดินที่มั่นคงนะนะ การไม่ทําบาปมันจะก่อให้เกิดนะเกิดกุศลขึ้นกุศลคือความดีคือความสุขนะ่ะมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอกุศลเข้าใจไหมเหมือมมนกับต้นไม้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปูซิเมนต์ต้นไม้ต้องเกิดได้ในดินที่อุดมสมบูรณ์นะหรือแม้ไม่สมบูรณ์นะแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นในดินกุศลก็เหมือนกันกุศลไม่สามารถอยู่กับอกุศลได้นะ ไม่ใช่ว่าเราโกรธไปด้วยมีเมตตาไปด้วยเนี่ยไม่ใช่นะจริงๆนะบางคนคิดว่าเรารักเขานะเราเมตตาเขาเราเลยต้องโกรธเขาแต่จริงมันอยู่คนละอันกันอยู่คนละอันกันอันนั้นการไม่ทำบาปการไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ให้จิตใจเรามีกุศลขึ้นนะกุศลขึ้นสติสัมปชัญญะเนี่ยจะอยู่ได้ กุศลเท่านั้นมันไม่สามารถอยู่ได้กับขากุศลแต่แต่มันก็สามารถเปลี่ยนได้บางครั้งเราหลงหลงมีอกุศลหลงไปทุกการที่เรามีสติรู้ตัวมันจะเปลี่ยนเป็นปกติเปลี่ยนมาเป็นปกติเปลี่ยนมาเป็นกุศลนั้นพระพุทธเจ้าสั่งสอนทอดสอนบอกให้ทำกุศลนะให้เจริญกุศลให้ถึงพร้อนมะการไม่ทำบาปกะเป็นการเจริญกุศลแล้ว การที่เรารู้ตัวว่าเราคิดไม่ดีหรือเผลอทําไม่ดีเราเปลี่ยนมาเป็นปกติแล้วก็คือเราไม่ทาบาปแล้วเราทําตุศนลล์ละเมื่อ น, นั้นจิตใจมันก็เกิดเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่เป็นปกติสมว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเอาง่ายๆแบบตัวอย่างาคร่าวๆคล้ายๆกับเสื้อผ้าของเรานั่นแหละนะเราใส่เสื้อผ้าตอนแรกมันก็สะอาดอยู่แล้ว เราใส่ไปเรื่อยๆมันอาจจะสกระปรกเราก็ต้องเอาไปซักชีจริงจิตบริสุทธิ์แสดงว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วแต่กิเลสเขามาครอมงำชั่วคราวความหลงมาครอบงำชั่วคราวมันก็เลยต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์เหมือนเดิมเหมือนกับเสื้อผ้ามันสะอาดมาก่อนแล้วเราใช้เราใส่มันก็เลยสกรปรกการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็คือการชําระ กีเดชเอกไปจากจิตใจแค่นั้นพอเราชำระจิตกีดเดชออกไปจากจิตใจจิตมันก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วถามหาว่าจิตบริสุทธิ์มันอยู่ที่ตรงไหนทําตอนไหนจิตบริสุทธิ์มันก็ทําที่ใจนี่แหละจิตบริสุทธิ์มันทําตอนไหนทําตอนนี้เราอย่าไปคอยความบริสุทธิ์ของจิตใจที่อนาคตนะออเราอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเราทุกข์ใจไป เดี๋ยวไปเข้าวัดเดี๋ยวได้าดไดไดหายทุกนะ เ, เดี๋ยวเรารอไปบวชก่อนไปปฏิบัติธรรมก่อนเราถึงจะแก้ความโกรธแก้ความทุกข์ใจนะเกิดความทุกข์เมื่อไหร่แก้ที่ตอนนั้นนะเกิดความกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ดับตอนนั้นจิตก็มาเป็นปกปติแล้วนะพยายามทาตอนนี้เลยนะทําแบบไหนเอา ง, งา่ายๆอย่างที่บอกแค่กลับมารู้สึกตัว รู้สึกตัวรู้กายเนรู้กายเคลื่อนไหวนะรู้ลมหายใจที่เข้าที่ออกนะหรือรู้ทันใจเป็นผู้ดูเฉยๆการแค่รู้สึกตัวนะ่ะจิตก็เป็นปกตินะถามดูตัวเองตัวก็ได้อย่างตอนนี้นสมมติเรานั่งอยู่นะมีความทุกข์อะไรไหม <c oughs> นะใจมันปรุงแต่งอะไรไห <c oughs> ม ตอนที่เรามีสติอยู่กับตัวเราก็กรดังนั่งหรือกระดังฟังอยู่ตอนนี้นะใจไม่ได้ปุุงแต่งนะใช่หนะหลายคนหรือบางขณะเรากา็สังเกตว่าถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะจิตไม่ปุุงแต่งจิตไม่ปุุงแต่งก็ไม่มีตัวตนอะไรขึ้นนะไม่มีความพุก์เข้ามาในใจอันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญเราพยายามกลับมา อยู่กับปัจจุบันเนาะกลับมาแล้วรู้มีสติรู้ตัวอยู่บ่อยเมื่อนั้นตัวตนมันไม่มีมันมีแต่อาการของร่างกายม่มีแต่อาการของจิตใจเนาะจิตเป็นปกตินะจิตตั้งมั่นจิตสงบอันนี้แหละคือจิตที่สงบจิตที่รู้ตัวนะจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเนาะที่จะเป็น อย่างที่ว่าพวกโยมก็คงเป็นคนที่อเห็นประโยชน์นะของการฝึกจิตใจนะเราก็เลยมาที่ตรงนี้เนาะแต่ก็การเห็นประโยชน์แล้วก็ต้องอาศัยความเพียรด้วยค <c oughs> ือเรารู้ว่าอันนี้มีประโยชน์นะแต่เราไม่ค่อยทํามันก็ไม่ค่อยเกิดผลเนานะเหมือนเรารู้อาหารเนี้ยมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ทานมันจะเกิดผลไหมก็ไม่เกิดใช่ไหมเหมือนกับเราบอก หมอบอกอหมอบอกคนไข้หรือพยาบาลบอกคนไข้ยานี้กินนะมันจะได้หายแต่ถ้าคนไข้ไม่กินก็จะหายไห ม, มก็ไม่หายเนาะใช่ไห ม, อ, มอันนี้ถ้าเป็นเป็นโรคเป็นยาที่รักษาได้มันกินมันก็หายได้ธรรมะเองนะถ้าใครถ้าใครเอาไปใช้มันก็หายนะยารักษาโรคนี่มันยังมีข้อจำกัดเนาะยังมีเงื่อนไขหลายอย่างที่ บางคนดีบางคนไม่ดีนะแล้วแต่แต่ธรรมะนี่ถ้าเข้าไปใช้จริงๆนะหายจากอะไรหายจากความทุกข์ใจนะหายจากการยึดมั่นถือมั่นได้นะแต่ต้องบางทีก็ต้องแต่จริงมันแต่ก็ต้องใช้ให้มันแบบมากพอเลยนะเหมือนกับเรากินข้าวคํานึงมันจะอิ่มไปทั้งวั น, นก็ไม่ใช่นะเรากินคํานี้มันจริงมันก็ อิ่มขนาดหนึ่งละเรารู้สึกอิ่มในขณะหนึ่งละกินเยอะๆไปมันก็อิ่มใจขึ้นได้ื่อยๆนะธรรมะเป็นแบบนั้นนะบางคนคิดว่าเราปฏิบัติทำแล้วมันทำไมยังทุกข์อยู่นะยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องที่จริงครูบาอาจารย์ท่านบอกนะต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนดับปฏิบัติทุบลมหายใจเนาะแต่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องนั่งนิ่งๆต้องนั่งหลับตาต้องไม่ทําอะไร ปฏิบัติก็คือการมีสติรู้ตัวเนี่ยแหละคือการปฏิบัติทำคอยดูกายคอยดูใจคอยรักษากายคอยรักษาใจรักษากายเช่นอะไรทําอะไรก็อย่าทําแบบด้วยความรีบร้อนด้วยความเคร่งเครียดใชบางทีเราก็จริงจังเช่นเดินเร็วๆร่างกายก็เหนื่อยนะใช่ไหมออหรือทําอะไรแบบไม่ระวังเดี๋ยวร่างกายมันก็เจ็บนะใช่ไหม หรือเราทำด้แบบฝืนกันไปยกของหนะักหรือฝืนนั่งนานเกินไปเนะี่ยร่างกายมันก็ทุกนะอข่าใไหมอันนี้คือเราก็ต้องรักษากายนะสังเกตไหมตอนเราเดินเราเร็วใจมันก็ร้อนไปด้วยนะใจก็ทุกกายก็ทุกนะตอนที่เราเครียดเราก็หายใจสั้นๆหน้าตาก็ตึงๆแล้วนะนะ ร่างกายมันก็ทุกข์ใจมันก็ทุกข์เราก็แค่กลับมาสังเกตดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายหรือในใจก็ได้เนาะถ้าเราสังเกตมันจะคลายกันเองถ้าเราถึงหน้าตาเราเครียดเราใจเราเครียดมันอยู่ไหมเราก็ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมเหมือนเรารู้ตัวเราจำจนแน่นเราก็ต้องปล่อยนะเหมือนเรารู้ว่ามันร้อนเราจับแล้วมันก็ต้องวางการมีสติจริงเรารู้แล้วมันจะวางอคอยดูตัวเองแบบนี้ ไบ่อนะเราจะเข้าถึงความไม่ทุกข์ได้แล้วก็ต้องทําตอนนี้เลยนะอืมอย่าไปรอทําตอนไหนนะทําตอนนี้แล้วก็ทําให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ทําแบบอย่าอยากได้อะไรเพราะถ้าทําแบบอยากได้อะไรเนี่ยมันก็จะทุกข์เพราะความความอยากได้ของเราแน่นแหละนะบางทีโยมเนาะคิดว่าโอ้พระ ไม่ชี้นักปฏิบัติธรรมดูสบายเนาะอะไรก็ไม่กนะังวลนะนะครอบครัวไม่กังวลค่าคของเครื่งใช้เพื่อผ้าไม่กังวลแต่เราเห็นไหมบางทีนักปฏิบัติธรรมหรือพระบางคนก็ทุกบนะมันดูอย่างหน้าก็ดูเพาะอะไรโออยากจะได้นิพพานอยากจะได้เป็นพระโสดาบันอยากจะได้เป็นพระอรหันตะ์ก็ทําไปด้วยความเคร่งเคียดนะอย่างอื่นฉันไม่เอาละฉันสละทั้งโลกฉันจะเอาแต่ทางธรรมนี <c> ่ย <oughs> ำว่าสละทั้งโลกนะ มันก็สละกโลก็จริงแต่ก็จะเอาทำํำก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่การสละเหมือนกันใช่ไห ม, มที่จริงก็ทําแบบทําแบบไม่เอาอะไร <c oughs> ทําแบบสละกจริงๆซึ่งคือไม่เอาแม้แต่ไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรอืเหมือนเราทําความดีเราช่วยคนอื่นถ้าเราทําแบบไม่ได้หวังอะไรเลยเนะี่ยมันจะเป็นความสุขตอนนั้นเลยนะแต่ถ้าเราทําแล้ว คนไข้ต้องหายสิ <c oughs> คนไข้ยังดีอันนี้ก็ยังทาแบบเอานะแต่เราก็มีการวางแผนว่ามันแบบนั้นได้แต่เราไม่เอาความสุขของเราไปผูกไว้ตอนที่ถ้าเขาหายถ้าเขาดีถ้าเขาขอบคุณเราใช่ไหม <c oughs> เราไม่เอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่อนาคตว่าตอนที่เขาดีขึ้นเราถึงจะ ม, มีความสุขแต่พอเราทําแล้วเราวางไปด้วยเนี่ยเรามีความสุขตอนนั้นเลยได้ทําแล้วอืเราปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะเราก็ พบความสุขพบความสงบได้ทุกขณะที่ทําอย่าไปรออย่าไปรอตอนไหนเพราะจริงถ้าเราดู ด, ดีตอนที่เรารู้สึกตัวจริงๆนะ่ะอย่าที่มาบอกมันไม่พุ่งจิตเป็นปกตินะ่ะจิตมันมีความสุขสงบภายในใจนั่นแหละคือการปฏิบัติทำจริงๆเดินก็ได้นะกินข้าวก็ปฏิบัติทำได้อาบน้ําก็ปฏิบัติทำได้แค่กับมารู้สึกตัวนะ่ะ ตั้งใจทําแล้วก็รู้สึกตัวพูดคุยกับใครก็เหมือนกันนะอย่าไปสนใจเรื่องที่เขาพูดมากนักสนใจตัวเราเป็นหลัก <c oughs> นะบางทีเราดูข่าวเราพูดคุยกับคนอื่นให้เรามีสติดูตัวเราเป็นหลักมาไปเยี่ยมคนป่วยกคนนึงเขากําลังจะผ่าตัดเป็นมะเด็งที่สมองนะ่ะก่อนก่อนเขาเข้าโรงพยาบาลพอดีเขาไปหาอาจารย์กาพล ท้อบุญนุ่มนะเขาไปคุยกับจารยเพราะตอนเขาคิดว่าเขาไม่ปกติทําไมหลงลืมนะแต่ะเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมาเด็งที่สมองนะก็คิดว่าขาดสติก็เลยลืมตัวก็เลยหลงลืมจํานั้นอันนี้ไม่ได้จะไปหาวิธีปฏิบัติ ท, ทําให้อาจารย์คนสอ น, นมาไปเยี่ยมเขาเขาก็พูดว่า ม, มีตอนหนึ่งที่อาจารย์พูดนะอาจารย์พูดก็ไม่ได้ตั้งใจจะสอนนะอาจารย์พูดบอกว่าเนี่ยผมคุยกับคุณอยู่นะ ผมมีสติรู้ตัวผมเองมากกว่ารู้เรื่องของคุณนะเข้าใจไหมอันนี้หมายว่าคืออาจารย์ แ, แสดงอากาภาวะการเป็นปฏิบัติธรรมอยู่ก็คือเราจะทำอะไรเรามีสติรู้ตัวเราอยู่มากกว่าการไปดูข้างนอกอแต่การพูดแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าคุณผิดคุณไม่ดีหรือว่าไม่รู้เรื่องของเขา ก็รู้อยู่แต่เพียงว่าบางทีเราไม่ไปสนใจข้างนอกไปทั้างบนเนาะมไม่ไปอินเช่นบางทีเราดูละครเนี่ยเราจะไปอินกับเรื่องของละครเราไปเห็นคนทุกคนเศร้าเราก็จะไปเศร้ากับเขาแต่เรารู้ตัวเราอยู่เนี่ยเราจะรู้อารมณ์ของเราเองรู้ร่างกายของเราเองมันไม่จมออกไปมันจะเป็นการเหมือนรู้ทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในแต่ถ้าเรารู้ตัวเรามากกว่าเนี่ยเหมือน ใจเราจะเป็นปกติใจเราสงบเนะี่ยทำแบบนะี้บอ่อยๆเวลาตรวจคนไข้ก็อย่าไปดูแต่คนไข้ทั้งหมดดูตัวเราด้วยเ <c oughs> วลาเราคุยโทรศัพท์กับใครดูตัวเราด้วยว่ามีความอยากจะพูดขึ้นในใจเกิดอารมณ์อะไรขึ้นในใจขณะที่คุยโทรศัพท์อย่างเงี้เน <c oughs> เราดูอ่าลายดูเฟซดูนั่นดูนี่ล้วก็อย่าไปดูแต่ข้อความนะั้นเราดูความรู้สึกของเราไปด้วย นะอันนี้คือวิธีปฏิบัติที่ใช้กับชีวิตประจำวันของเราจริงๆเนาะนะ <c oughs> ก็ฝากไว้นะ